บุกทูสี่สิบเก้าออรมุต์ต์ทสรกีฬาสปอร์ตสสปอร์ต ค, คุณออกกำลังกายไหมมีสเดิฟสปอร์ตส์ ค่ะดิฉันต้องออกกำลังกายเ a ีดบัีบมุ a เบัมจี บ, ด, บ, ด, บดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับเมสปอร์ตุลจกุชวมสปอรตจูบชิวาร เราเล่นฟุตบอลทวนเพ็กบตทามาชป์วนเพ็กบูตสทามาชบต์บางครั้งเราก็ว่ายน้ำโซกเจอจร์ซูรฟ์กเจอร์ทซูราฟต์รรตหรือเราขี่จักรยานอันเวลลซิเปติดดาวดิวาร์ต มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา t r p e c h p t i s Moedani t r a n s Pechportis m o e d a แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วยอ r i s a ว w s u r o Auzi อาริสอ v คว์ส su ตสุราอาอูซีซาวนิตและมีสนามกอฟท่าอาริสกลฟิสมวยตานีทอริสกอลิสมวยนีทีวีมีอะไรดูรักกดิสเทลวิสอร์ชดสเิอ กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้อัคลาบทีอัคลาเทียทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษยอยู่เกมาลกุน i อังกอบมา u ลกอังกอชใครกำลังนำ วินอียิปต์ียดิฉันไม่ทราบค่ะที่อรมดเกนาอารม า, ารมกาาุาตอนนี้เสมอกันอยู่เจรพเรียเพผูพ้ตัดสินมาจากเบลเยียม เบลเกียเลียมซาจิเบลเกียเลียตอนนี้กำลังยิงลูกโทษอทัฉราเทรเมตริยานีดนิชเนสอัาทเมตรานีตันิชเนสเข้าประตูแลว้วหนึ่งต่อศูนโกลเอริรติตนโอลิโกล เอื้อติดน